Blue ส่วนปหาณาปริญญาก็วิปัสนาอันมีลักษณะเป็นอารมณ์เป็นไปด้วยสามารถแห่งการละวิปลาดทั้งหลายมีนิจจสัญญาวิปลาดเป็นต้นในธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเสียได้นั่นแหละชื <far> nah, ่อว่าปหาณาปริญญาก็ง anyway. ่ายๆว่าเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงและความสําคัญว่าเที่ยงเห็นด้วยความเป็นทุกข์ละความสําคัญว่าเป็นสุขเห็นด้วยความเป็นอนัตตาละความสําคัญว่าเป็นอัตตาตามเห็นด้วยความเบื่อหน่ายและความ เลิดเลินหรือนันที่เนี่ยนะเห็นด้วยความคลายกําหนัดละราคะเห็นด้วยความดับละสมุ ท, ทยัยเห็นด้วยความสลัคืนละความถือมั่นเนี่ยนะความถือมั่นเพะนั้นพวกที่ละได้อย่างนี้เนี่ยเรียกว่าปหานะปริญญาในบรรดาปริญญาสามทั้งสามนั้นตั้งต้นแต่สังขารปริเฉทะยานคือยานในการกําหนดสังขารธรรมจนถึงปัจยภปริคหายาณ ยานในการกําหนดสังขารธรรมโดยโดยปัจจัยว่าสังขารธรรมทั้งหลายเกิดจากปัจจัยอะไรเนี่ยนะเป็นภูมิของยถาปริญญาเพราะในระหว่างนี้ความเป็นอธิบดีย่อมมีแก่พระโยคีบุคคลผู้แทงตลอดลักษณะโดยเฉพาะโดยเฉพาะของสภาวะธรรมทั้งหลายได้คือสามารถกําหนดสภาวะนี้เป็นอย่างนี้สภาวะนี้เกิดจากปัจจัยนี้พจนญยาตาปริญญาก็เน้นการพิจารณาสภาวะเป็นหลัก เน้นพิจารณาสภาวะเป็นหลักเรียกว่ายาตปริญญาตั้งแต่กาลาปะสัมมาสนากลุ่มกลุ <S <S <ๆ>่มในที่นี้คืออะไรถ้าเป็นรูปกลุ่มของรูปคืออดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเลวประนีใกล้ไกลกลุ่มของเวทนาละ่ะก็อดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเลวประนีใกล้ไกลเนี่ยอันนี้เรียกว่ากาลาปะหรือกลุ่ม การพิจารณากราปะสัมมาสนานะพิจารณาทุกกลุ่มโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาในการพิจารณาสังขารธรรมโดยกลาบจนถึงอุทย พ, พย า, ยานเห็นความเกิดโดยอาการยี่สิบห้าเห็นความดับโดยอาการยี่สิบห้ายานในการเห็นอยู่เนือ ง, เนองซึ่งความเกิดความดับเกิดยี่ส้าดับยี่สิบห้าของสังขารธรรมคือขันห้านี่นะเพราะว่าในระหว่างนี้ ความเป็นอธิบดีย่อมมีแก่พระโยคยีบุคคลผู้แทงตลอดสามมัญลักษณะอันนี้เป็นตีรณปริญญานะ่น่าจะตกคำว่าเป็นภูมิของตีรณปริญญาตกไปนะตกข้อความก่อนก่อนหน้าเพราะในระหว่างนี้ความเป็นอธิบดีย่อมมีแก่พระโยคาวจพระโยคียตกข้อความว่าเป็นภูมิของตรีรณปริญญาเพิ่มเข้ามาหน่อยน ะ, ะตรงว่าหลังสังขารธรรมือนะว่า นี้เป็นภูมิของตีรณปริญญาเห็นคําว่าทำกับเพราะติดกันไหมแล้วก็แทรกตรงนั้นอ่ะแทรกในระหว่างแทรกว่านี้เป็นภูมิของตีรณปริญญาตรงคําว่าธรรมะกับเพราะอันนแทรกตรงนั้นเพราะว่าตีรณปริญญาเนี่ยนะก็คือสัมมสนาญาณกับอุทยพยาญาณ น, นั่นแหละเป็นตีรณปริญญาทั้นตีรณปริญญาเนี่ยเป็นการเข้าไปไขครวนพิจารณาอย่าง ละเอียดรอบครอบจริงๆนะตีรณปริญญานั้นอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไข ค, ควงเล็กๆน้อยๆเลยไขครควงมากจริงๆเพราะว่ารูปสัตกะอรูปสัตกะอยู่ในภูมิของตีรณปริญญาหมดเลยตั้งต้นแต่พังคารุปัสนาญาณคือญาณในการเห็นเนืองๆซึ่งความดับไปแห่งสังขารธรรมขึ้นไปเป็นภูมิของปหานะปริญญาอันอนุปัสนาเจ็ดนั่นแหละเป็นภูมิของ ฐานะปริญญาเพราะจำเดิมแต่นั้นไปความเป็นอธิบดีย่อมมีแก่อนุปัสนาเจ็ดอันจะให้สำเร็จในการละวิปลาดมีนิจจสัญญาวิปลาดเป็นต้นได้อย่างนี้คือเมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ย่อมละนิจสัญญาวิปลาดได้สัญญาตัวนี้เป็นคำที่เป็นประธานนะสัญญาวิปลาดจิตตาวิปลาดและทิฏฐิวิปลาดก็เท่ากับกล่าวแล้ว นั่นเมื่อเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ละนิจจสัญญานิจจจิตตนิจจทิฐิวิปลาดได้นั่ะให้เต็มนี่เป็นอย่างนั้นเมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ก็ละสุขสัญญาวิวปลาดได้เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนาัตตก็ละอัตสัญญาวิวปลาดได้เมื่อเบื่อหน่ายก็ละความเพลิดเพลินได้เมื่อคลายกำหนัดก็ละราคะได้เมื่อดับ เมื่อดับคือเมื่อนิโรธเนี่ยนะนิโรธาเนี่ยดับก็ละสมุทัยได้เมื่อสละคืนก็ละความถือมั่นเสียได้เพราะฉนนั้ยาตปริญญาก็คือยาตัดทะยานใช่ไหมตีรณปริญญาก็คือตีรณะทะยานปหานะปริญญาก็เป็นปริจจาคมันแหลยก็บรรดาคําเหล่านั้นคําว่าอภิญญาปัญญาได้แก่ปัญญาในปัญญาเป็นเครื่องรู้สภาวะ มีรูปปัญลลักษณะคือรูปมีอันแตกไปดับไปเป็นลักษณะเป็นต้นแห่งสภาวะธรรมจริงโยปัญญานั้นท่านเรียกว่ า, าพิญญาเพราะอาธิบายด้วยอภิสัพท์ที่มีอาจว่า ง, งามอภินี่มีความหมายว่า ง, งามก็ได้คือการรู้งามรู้งามไม่รู้อย่างไงก็คือรู้ด้วยสามารถแห่งการรู้สภาวะธรรมเหล่านั้นพร้อมทั้งปัจจัยนั่นแหละเรียกว่ารู้ดีรู้สวยนะคือรู้พร้อมทั้งปัจจัยเนี่ยนะ งามก็สวยนะรู้อย่างสวยมากเลยก็คือรู้สภาวะพร้อมทั้งปัจจัยเพราะว่าบาลีเขาว่าอภินญาปัญญาใช่ไหมอภิญญาปัญญายาตัดเถยรานังอภินญาตัวนี้อเป็นใช้ความหมายในความหมายว่ายาตะปริญญาเนี่ยนะอย่างที่ที่คุ้นกันบ่อยๆนะที่เรียกว่าเมื่อไม่รู้ยิ่งไม่กําหนดรู้ไม่ละก็ไม่ควรสิ้นทุกเนี่ยนะนะเคยได้ยินไหมประโยคนะี้ เมื่อไม่รู้ยิ่งไม่กําหนดรู้ไม่ละก็ไม่ควรสิ้นทุกขเช่นไม่ไม่รู้ยิ่งรูปไม่ละรูปอันนะอ่าไม่ไม่รู้ยิ่งรูปไม่กําหนดรู้รูปไม่ละซึ่งรูปก็ไม่ควรสิ้นทุกขในเนี่ยประโยคเราเนี่ยมีบ่อยมากในสางยุตานิยเพราะฉะนั้นรู้ยิ่งตรงนั้นแหละเป็นอภินญาตรงเนี่ยคือยาตะปริญญาอย่างอภินยญานิเทศท่านจะขยายว่าเป็น ยาตะปริญญาเนี่ยนะอภินยยะเนี่ยนะหมายมีความหมายว่าเป็นยาตะปริญญาแต่ที่นี้ในการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีการอย่างลงอมะตะเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นชี้อะไรก็ตามถึงจะชี้เรื่องนี้อยู่แต่ก็เบนประเด็นให้ไปเข้าสู่การแทงตลอดท ร, ร ม, มาระดับสูงอยู่ด้วยเนี่ยนะเพราะท่านจะไม่ไม่ยอมให้เราไปติดอยู่แค่ตรงนั้นหรอกเนี่ยนะเพราะทุกสูตรเนี่ยถือว่าไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดอยู่ในตัวอยู่แล้ว คณะจะแยกความหมายยังไงครับเวลาที่เห็นอภินยัยยธรรมเพราะว่าอภินญยยธรรมท่านก็แสดงว่าเป็นอรยิยสัจสี่ด้วยอรยิยสัจสี่ก็ต้องมีกิจเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นสมุ ท, ทยัยสัตว์ก็ปหาหนั ก, กิจหรือว่ามรรคก็ภาวนากิจภาวนากิจก็จะเป็นอภินยัยยธรรมด้วยไหมครับก็ถ้าว่าโดยตรงแล้วเนี่ยตัวมรรคเนี่ยถ้ายังเป็นโลกิยะก็ต้องรู้มรรคพร้อมทั้งปัจจัยเอกนั่นแหละ เช่นเช่นในในยกตัวอย่างในโพชฌงค์บภพาเนี่ยนะเมื่อสมมออธรรมะวิจยะสามโพชฌงมีอยู่หน้าภายในก็รู้ชัดเมื่อธรรมะวิจยะสามโพชฌงไม่มีอยู่หน้าภายในก็รู้ชัดธรรมะวิจยาสามโพชฌงที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดเพราะรู้ปัจจัยเนี่ยรู้ธรรมะวิจยะสามโพชฌงพร้อมทั้งปัจจยัยว่าเป็นลักษณะของตีรณะเอ่อข้ไปยาตะปริญญาอยู่แล้วแล้ว ตัวเนี้ยตัวธรรมวิจยะสามพภอจงจะ บ, บริบูรณ์โดยประการใดก็รู้ชัดนะนก็เอาจนบริบูรณ์ด้วยสำไปเพราะฉะนั้นยาตาปริญญานั้นยังเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญในการวิจัยธรรมะเกือบทุกระดับเว้นโลกุตระธรรมเนี่ยนะเว้นโลกุตระธรรมแต่ทีนี้การแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ให้หยุดอยู่แค่ตรงนั้นหรอกเไ เป็นการชี้ประเด็นเบนประเด็นถึงจะแสดงโดยแงย่มุมต่างๆก็ชี้ให้เห็นอริยสัจอยู่แล้วเพราะว่าถ้าผู้ใดรู้ทุกก็ชื่อว่ารู้สมุทัยด้วยถ้ารู้สมุทัยก็ชื่อว่ารู้นิโรธด้วยถ้าชู้รู้นิโรธก็ชื่อว่ารู้มรรคด้วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการแสดงจึงเป็นการแสดงเพื่ อ, อหมุนโดยรอบในธรรมานุปัสสนาก็มีอริยสัจสี่ด้วยนะครับเรื่การพิจารณาอริยสัจสี ก็มีการพิจารณานิโรธแล้วก็มรด้วยความพิจารณาตรงนั้นจะเป็นปริญญาหรื อ, ร อ, ร อ, อเปล่าครับปัอการะปริญญาด้วยหรือเปล่าการเป็นการพิจารณาโดยโดยเปรียบเทียบเฉยๆซึ่งมันเหมือนกับอย่างว่าคนที่ป่วยอยู่เนี่ยนะพิจารณาหายป่วยนี่พิจารณาว่าอย่างไงกําลังป่วยอยู่เนี่ยนะพิจารณาว่าอย่างไงก็รู้ว่าเอาความป่วยนั่นแหละมาคิดใช่ไหมว่าถ้าเลิกป่วยมันก็เรียกว่าหาย ถ้าเลิกป่วยมันก็คิดว่าหายถ้าไปคิดได้สภาวะหายป่วยเนี่ยคิดยังไงก็คิดไม่ออกชั้นใดก็ดีการเอานิโรธสัจจะกข้เหมือนกันเพราะเอาทุกข์กับสมุทัยมาเปรียบกันว่าความไม่มีทุกข์กับสมุทยัยนั่นแหละเป็นนิโรธแต่จะไปไข้ครัวนว่านิโรธนะสภาวะเย็นหรือสีเขียวสีเหลืองก็คิดอะไรไม่ได้สักอย่างอยู่แล้วละ่ะเนะเพราะเพียงแต่ว่าตรงกันข้ามกับสังคตะธรรมธรรมะอ่ะสังคตะธรรมนั้นเป็นธรรมที่สละคืนตัณหา เป็นที่เทิกเพิกถอนแห่งอาไลเป็นที่บรรเทาความเมาเป็นต้นเนี่ยก็จะได้แต่เทียบเคียงพิจารนาไปอย่างนี้เพราะว่าการที่จะทราบซึ้งในคุณของนิโรธเท่าไหร่ก็อยู่ที่การเห็นโทษของทุกและก็ละสมุทัยได้เท่าไหร่เท่านั้นเองแต่อย่าลืมว่าการแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะแสดงธรรมจบที่บรรลุมรรคผลเป็นที่สุดเนีย่ยนะเพราะฉะนั้น ถ้าจะบรรลุได้ช่วงใดนะสอนให้บรรลุไปเลยอย่างยกตัวอย่างว่าอภิธรรมปิดกเนี่ยแต่ละคำพี์เนี่ยบรรลุเป็นโกดเนี่ยนะถามว่าต้องตอนจบก่อนหรือจึงจะบรรลุหรือไม่เพราะว่าแสดงไปสักสมมตินนะสมมติแสดงห้าชั่วโมงนะสมมุตินหนึ่งคำพีแสดงห้าชั่วโมงอย่างนั้นนะห้าชั่วโมงเนี่ ย, นะยต้องบรรลุชั่วโมงที่ห้าทุกคนหรืออะไรระหว่างนั้นล่ะ พันธุ์มันมีการประกาศสัจจะอื่นๆแทรกในระหว่างในระหว่างในระหว่างตลอดอยู่แล้วอย่างในพรหมชาลสูตรเนี่ยประกาศอริยสัจอยู่สิบสองวาระอย่างเช่นแสดงสัสตตาทิฐิสี่ข้อจบประกาศอริยสัจแสดงเอกักจะสัสตตาทิฏฐิจบสี่ข้อประกาศอริยสัจแสดงอันตานันติกาทิฐิสี่ข้อจบประกาศอริยสัจแสดงอมราวิเขปะทิฐิสข้อจบก็แ ส, สดง อริยสัจจบอธิจารสมุปณะทิฏฐิก็แสดงอริยสัจอีกนะแล้วก็แสดงสัญญีวาทะเนี่ยนะสิก็ประกาศอริยสัจอีกแสดงอสัญญีวาทะแปดก็ประกาศอริยสัจแสดงเนวสัญญีนาสัญญีก็ประกาศอริยสัจอีกแสดงอุเฉททิฏฐิก็ประกาศอริยสัจแสดงทิฏฐธรรมะนิพานวาทะก็ประกาศอริยสัจนั้นวนประกาศอริยสัจอยู่หลายรอบด้วยกันนะ มันเป็นสูตรที่ยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมของพระองค์เนี่ยจึงมีการแทรกอยู่ตลอดอย่างที่กล่าวว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยในสติปัฏฐานทุกสูตรจบลงที่ผ่าอรหันต์ใช่ไหมใช่ไหมสติปัฏฐานนีทุกบัพพาจบที่อรหันต์ใช่ไหมใช่การที่จะเป็นผ่าอริยะต้องบรรลุอริยสัจใช่ไหมใช่ทําไมจึงแสดงอริยสัจบัพพาเป็นสุดท้ายอีกล่ะ เกือะมันลักษณะนี้นะว่าแสดงทุกขสัจก็เพื่อให้บรรลุแสดงกายานุปัสสนาก็เพื่อให้บรรลุอริยสัจใช่ไหมไม่อันนี้ถ้าใครจะบรรลุเพราพิจารณารูปเป็นหลักอนะนะก็บรรลุเพราะพิจารณารูปก็บรรลุไปถ้าพิจารณาเวทนาจะบรรลุได้ก็บรรลุไปพิจารณาจิตบรรลุได้ก็บรรลุไปพิจารณาธรรมจะบรรลุได้ก็บรรลุไปถ้าแสดงมาทั้งหมดยังไม่บรรลุสักทีทําไม ก็นี่เขาบรรลุเรื่องนี้นะก็บอกตรงๆเลยว่าเขาบรรลุอริยาศาสตร์หนะ้าก็ชี้ชัดไปซะเลยเนี่ยจะได้จบสักทีขนาดนั้นก็ยังไม่จบอี ก, ก น, นะต่ออีกก็ <c oughs> ดูก็คงในส่วนตรงนี้เนี่ยนะก็คงจะจบแล้วก็ผ่านไปเพราะว่าเนื้อหาที่กล่าวไปพรวันในสัปดาห์หน้าก็เข้าใจว่าเคลื่อนเรียนอภิญญานิเทศกันเลยนะ เลยนะคือคงเรียนอภินญญาณิเทศเลยเพราะอุเทศเนี่ยเดี๋ยวตอนหลังเรียนอุเทศจบนิเทศอุเทศนิเทศสลับกันไปเลยเนี่ยนะซึ่งนี้เราก็กลับไปเรียนสุตตามยญาณเพราะว่าทิศทางโครงสร้างเราก็ถือว่าเรียนไปโดยคร่าวๆแล้วต่อไปก็จะได้ไปดูโดยละเอียดเนี่ยนะ